ความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงเป็นอุเบกขาบา ร, รมีในข้อที่ที่เจ็ดก็ที่จริงค่อนข้างประนีตลึกซึ้งขึ้นมาโดยลำดับในข้อนี้ท่านเรียกว่าวิปัสสนุเปขาคือการวางใจเป็นกลางในปัญญาเจตสิก ที่ทำหน้าที่รับอารมณ์คือหมายความว่าในการเจริญกรรมฐานของบุคคลเรานะฮะพอเจริญไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้เห็นทั้งความจริงในสภาวธรรมทั้งหลายที่เรายกขึ้นมาพินิจพิจารณาเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยท่านบอกว่ามนุษย์เนี่ยก็เรียกว่าสัตว์โลกทั้งหลายกัน จะมีความเห็นที่จริงมันเริ่มมาจากความทรงจําความทรงจําซึ่งเป็นสัญญาเป็นเจตสิกประการหนึ่งมันคลาดเคลื่อนพอข้อมูลคลาดเคลื่อนเนี่ยความคิดเลยคลาดเคลื่อนเลยพอความคิดคลาดเคลื่อนไอ้ความรู้ความเห็นก็เลยคลาดเคลื่อนตามไปนะโครงสร้างเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะยุคไอทเนี่ยปัญหาเรื่องข้อมูล เ, เป็นปนัญหาเรื่องใหญ่ คือถ้ามันเสียที่ที่ตัวข้อมูลแล้วเนี่ยมันจะแกว่งตลอดาะเป็นกระบวนการทางจิตดังนั้นการแสดงออกซึ่งความวิปลาสคือคลัดเคลื่อนจากความเป็นจริงกลายเป็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเป็นอันมากเช่นว่าสิ่งตั้งหลายในโลกที่จริงไม่มีอะไรสวยงามมันเป็นการเกาะกลุ่มกัน นะบางครั้งบางคราวเราไปงานศพเนโอ้โหโกฎหรูจังเลยนะบางทีก็โลงในหรูจังประดับมุกราคาเป็นแสนแสนหรือว่าโรงศพของคนจีนหรือของคนรังในบุยังดีเลยนะบางแห่งก็ติดแอร์เลยก็สวยดูข้างนอกแล้วก็สวยแต่เปิดข้างในแล้วมันก็คือศพ เพราะถ้าเรารู้ความจริงเนี่ยมันก็ไม่อยากได้แต่ถ้าเราไม่รู้ความจริงก็จะเกิดความอยากขึ้นเพราะความไม่รู้ความจริงสัตว์โลกจึงต้องดิ้นรนทรายไปในอารมณ์ทั้งหลายมีการไ ข, ขว่คว้าปรารถนาโดยความรู้สึกว่ารูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะกลิ่นนั้นหอมรสนั้นอร่อยสัมผัสน่าจับต้อง แล้วก็กำหนัดเพลิดเพลินในอารมณ์เหล่านั้นใน ช, ช่วงของการสแสวงหาในช่วงของการได้บารในช่วงของการครอบครองในช่วงของการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในช่วงของการบำรุงรักษาทีรว่าคนบางคนไปเล่นเครื่องหลายครามเนี่ยสังเกตว่ารูปๆคมคำมานั่งดูนั่ ง, งรูปๆคมคำไปจะเจถ๊ถูๆไปยังนึกว่าเกิดมาชาติามานั่งไปถูไม้เล่นอย่เนี่ย คือไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่ว่าในความรู้สึกของเขาเนี่ยมันเป็นสารพัดนะฮะเป็นสารพัดเป็นศินละปะเป็นอะไรแต่แนั่นก็คือลักษณะเขาวิปลาสคือมองสิ่งไม่สวยงามว่าสวยงามแล้วก็มีความกำหนัดพอใจสยบติดเพลิดเพลิ น, นจนถึงการุ่มหลงมัวเมาอยู่กับเรื่องแบบนั้น อีกประการหนึ่งไปมองสิ่งซึ่งไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็ไปคิดหมายว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าปัญญามันไม่ไปจักตามความจริงการการมองแบบวิปัสสนาเนี่ยก็คือความจริงมันเป็นยังไงก็มองอย่างนั้นแล้วคํำว่าเห็นในความหมายของวิปัสสนาคือเห็นแจ้งเนี่ย เห็แจ้งมันต้องขจัดมืดคือแจ้งเนี่ยมันมันต้องไม่มืดอ่เถ้ามืดอยู่ก็แสดงยังไม่แจ้งพอถ้าเกิดเห็นระดับพิวัฒนาขึ้นมามันก็ไปสลายความมืดซึ่งก็สืบเนื่องมาจากวิชามันก็ไปลดธนาลดมานะลดทิฏฐิลงไปเราสังเกตว่าถ้าเราคว้าอะไรมันมีสมัยหนึ่งก็เป็นเด็ก จริงก็ยังเป็นเด็กอะตอนนั้นแต่บางก็นึกเราก็นึกว่าเออมีคนคนหนึ่งเขาเขาก็ก็ไม่รู้นะ่ะคนบ้านนอกอะนะไม่รู้เรื่องมาแกซื้อน้ําแข็งไงน้ําแข็งที่เขาปั้นเป็นก้อนน่ะแล้วก็มีเชือกใส่ไว้ข้างในแล้วก็เทน้ําหวานคนก็ดูเอาไงดูตัวกินแกก็คิดว่ามันจะเอาไปฝากลูกที่บ้านได้ แล้วก็ซื้อแล้วก็ไปแขวนไว้แต่น้ำมันก็หยดไปเดยวก็ละลายหมดแม่นั่งอยู่ตรงนั้นนะฮะพอจะขึ้นเรือก็มาดูโวยวายใหญ่เลยคนดูดดูดน้ำแข็งไปหมดเขือไปกินหมดแต่ก็เชือกยังห้อยอยู่นะะนั่นคือเราจะไปเห็นว่าไปเข้าใจว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยง จริงพวกน้ำแข็งนี่ละลายระยะสั้นๆนั่นเองนะฮละลายเร็วกว่าพวกไอศครีมเดยทำไปแต่เพราะแกไปคิดว่ามันจะอยู่ได้ตลอดจึงซื้อไปฝากลูกนะเลยก็วอยไวกว่าจะต้องอธิบายชี้แจงกันจนแกเกิดความเข้าใจเนี่ยนั่นคืออะไรมันเกิดความไม่รู้แลวก็เกิดความอยากความอยากเสร็จแล้วก็ยึดยึดตามที่ตัวเองอยาก ตทางๆแต่มันไม่ได้เป็นตามตามที่แกอยากแต่มันจะเป็นอย่างที่มันเป็นคือทิงจุดเนึ่งมันก็ละาลายหมดแต่ว่าเรือมันนานนะนะคือว่าน้ำแข็งที่ละลายลงไปมันก็ตกลงไปไปข้างล่างลงไปข้างล่างใต้ใ ต, ต้ท้องเรือไปเลยก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า น, นี่วิปราชฏเอาขนาดนั้นนะนะวิปรัลา์เอาขนาดนั้น เขาไปมองสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงมันระดับของการจำหมายระดับความคิดระดับความเห็นพอระดับความเห็นแล้วไปเลยทีเนี้ยฮะเช่นว่าอย่างในตรงเนี้ยมันก็อาจจะไปคว้าความสุขระดับที่อยู่ร่วมกับพระผู้เป็นเจ้าในสวงสวรรค์เพราะถือว่าตรงนั้นมันจะเที่ยงเที่ยงแท้อย่างยืนถาวร ถ้าการต่อไปเนี่ยไม่มีสุขอะไรแท่แท้แท้จริงแล้วเราไปคิดมันเป็นสุขเราไปสุขก็ไปคว้าเพื่อเป็นของเราหรือว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้อย่างการเป็นต่างๆเนี่ยอยอวันก่อนได้ยินคุณอะไรอดีตผู้บรรชาการตงรวจแห่งชาติคุณประชาคุณประชาอะไรล่ะ <laughs> ก็ชอบใจคำสัมภาษณ์ คือเขาเนี่ค่อนข้างหนุ่มนะคือเป็นอธิบดีตํารวจที่ค่อนข้างหนุ่มถ้าอยู่ต่อไปอีกทั้งสองปีเนี่ยแกบอกว่าเขาก็อยู่ผมก็อยู่มาเกือบสี่ปีแล้วแต่ถ้าคืนอยู่ให้ครบเนี่ยมันพวกข้างล่างมันก็อั้นอยู่ขึ้นมาไม่ได้พอตอมันลุกขึ้นไปคนหนึ่งแกถอยไปคนหนึ่งเนี่ยคนรุ่นหลังก็จะขึ้นต่อกันมาได้ก็ถือว่าเออ ยอมรับถึงความไม่ไม่เที่ยงแท้เราเป็นในทั้งจุดหนึ่งก็คือเราไม่ได้เป็นเห็นไหมที่จริงเราเริ่มมาจากไม่ได้เป็นแล้วเราก็เป็นเสร็จ แ, แล้วเราก็ไม่เป็นแต่พอตอนเป็นเราหลงว่าความเป็นนี่มันเที่ยงแท้เลยจะเดือดร้อนเพราะความเป็นพอไม่ได้เป็นก็จะเสียใจ แต่ว่าถ้าความเป็นมันเปลี่ยนไปสูงขึ้นนะมันจะเกิดดีใจแต่ที่จริงสูงยังไงก็คือตายคือไม่ได้เป็นวันก่อนยังชอบใจพระใหม่นะไปสอนพระใหม่แล้วก็ตอนปิดไปอธิบายเรื่องสภาวธรรมสภาวธรรมให้เขาฟังแล้วก็สรุปได้คำกรอนถึ่มันแพร่หลายอยู่เนี่ยก็เด็กรุ่หนุ่มนะนะพระใหม่เนี่ยาอายุยี่สิบต้นๆขอจดกันใหญ่เลยนะฮะ ยังนึกว่าเออเด็กรุ่นนี้ขอจดคำกรอนระดับนี้นี่ก็กแสดงใช้ได้คือมันแสดงถึงไม่มีอะไรเป็นของเราจริงสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นกระบวนการความเลื่อนไหลราะในใจที่ไปกาหนดว่เาเป็นของเราหรือเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโ น, น้นตลอดถึงเป็นตัว เ, เป็นตนในถาวรยังยืนเนี่ยมันมันหลอกตัวเองซ้ำซาก ก็คำกรอนก็บอกว่ายศได้ล่าพไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขายังเอาไปเป่าไฟตอนนี้เน้นที่ตัวความเป็นของเราว่าอะไรก็ตามที่เป็นของเราของเราในแง่ของสังสารวัฏเนี่ยบุญบาปความดีกับความชั่วท่านเองเป็นของเราคือกรรมท่นเองเป็นของเราจริงแต่ที่จริงถึงจุดหนึ่งกรรมก็ต้องทิ้งนะคะ เพียงแต่ว่าระดับสังสารวัฏเนี่ยก็ต้องพูดกันก่อนว่ากรรมนั้นเป็นของเราเราก็ต้องเลือกทำกรรมในทางที่ดีเพราะชีวิตมันก็เลื่อนไหลไปตามกระแสะของกรรมแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันแสดงถึงความเป็นอนัตตาไม่เป็นทั้งของเราเราไม่ได้เป็นแล้วก็ไม่เป็นตัวเป็นตนอะไรในข้อความสองทัดหลังที่ว่าเนี่ย เมื่อเจ้ามาม่มีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉันไหนเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็าไปมือเปล่ามันจับมานี่ก็คือแนววิปัสสนุเปรคามันเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนของนามรูปต่างๆที่เราไปมีความรู้สึกเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเรามันไม่มีอะไรเป็นของเราแม้ตัวเรายังไม่เป็นของเราเลยเอานิยายอะไรไง แน่นอนนี่คือความจริงแต่เป็นความจริงที่เข้าถึงได้ยากแล้วก็ทําใจได้ยากมันต้องคิดบ่อยๆต้องนึกถึงบ่อยๆในข้อเนี้ทําให้นึกถึงท่านอาดีตนายกรัฐมนตรีของอินเดียนะฮะค อ, อินเดียในบทตั้งเกตเข้าเก่งนะมันเป็นนักป ร, รัชญาเลยคือถ้าเรามองไปศึกษาประวัติเคยไปบ้านของท่านราเชนปราสาท อดีต ป, ประธานาธิบดีของอินเดียรุ่นสมัยเนรูนะฮะไม่น่าเชื่อบ้านอ่ะบ้านชั้นเดียวหลังเล็กๆอยู่ในป่ามะม่วงแล้วก็อยู่กันสองคนผัวเมียแล้วก็มอบให้เป็นสมบัติของแผ่นดินมอไปเป็นสมบัติของรัฐอย่างนึนกว่าเออพวกนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็ตอนท่านสัตรีเนี่ยสัตรีรู้สึกต่อจากท่านเนรู ก็มีนักปราศของอินเดียมีหลวงพี่ที่วัตจักรวัฒน์เล่าฟังอาคุยกันนักปราศของอินเดียตอนท่านเนรูตายน่ยถามว่ามันมีใครที่มาแทนบอกไม่มีที่มองไป เ, เอเดือนหน้าปีหน้าหลายปีข้างหน้าเนี่ยมองไปไกลเนี่ยไม่มีใครเลยแล้วก็ถามมาสตรีเป็นยังไงนักปราศอินเดียเขาบอกว่า ืเขาอาจจะเห็นพรุ่งนี้ขนาดเห็นวันเดียวนะฮะเพรในรูปมันยิ่งใหญ่มากแต่ว่าท่านสัตตรีนี่ธรรมะลึกซึ้งก่อนจะตายมาชอบก่อนจะตายมากแต่ตอนนั้นเราไม่ได้จดไว้ท่านบอกว่าแม้กายท่านจะกระสรับกระส่ายนะแต่ใจท่านจะไม่กระสรับกระส่าย ท่านเพ่งไปที่พระเจ้าพระพรหมของท่านนะ น, นะฮะแก่ตามศาสนาฮินดูเคลื่อนไปตรงกับพระราชดําหลักของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจะอยู่หวก่อนที่จะสวรรคตนิดเดียวฮนะว่าแม้กายเราจักกระสรับกระสายแต่จิตเราจักไม่กระสรับกระสายคําสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ปฏิบัติตามแล้วแล้วก็ภาวนาว่าพุโทโธพุโทโธพุโทพโธตลอดจนสวรรคต แล้วก่อนจากนั้นมันแสดงถึงภูมิปัญญาที่เข้าถึงอย่างนี้คก็ถึงในแนวของวิปัสสนุปเปขาเนี่ยคือวาง ใ, ใจเป็นกลางทุกเวทนาป่วยมา เ, เรียนะฮะอย่าหนึ่งนึกว่ามันจะเล่นสมัยนั้นป่วยมา เ, เรียไม่จะเล่นแต่ว่าตอนสวรรค์โคตรนี่ยิ่งใหญ่มากบอกว่าสิ่งใดที่บุคคลไปยึดมั่นถรือมั่นเอาไว้สิ่งนั้นจะไม่มีโทษเป็นนั้นไม่มีเลย นัตเถตังโลกาสมิงยังอุปาเดยมานังอนัปปชังอัศะค่อยรอบมากอนัตตาชัดเจนปรากฏอยู่ภายในจิตเคิวางเฉยในทุกเวทนาไม่ได้แบกทุกเวทนาแยกจิตจากเวทนาเลยเวทนามันก็เกิดที่กายมันก็สักว่าเวทนากายจะปวดกายจะเจ็บมันก็เรื่องของกายของมันม่เรื่องของเรามันก็ไม่ไปแบกหาไม่ตรงนั้นเอาไว้ แล้วเนี่ยคือคือมันใจนี่เข้ากระทบอารมณ์แน่นอนมันก็เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขกระทบรูปกระทบเสียงกระทบกลิ่นกระทบรสกระทบย็นร้อนอนแข็งกระทบอารมณ์อาจจะเนียวเนึ้อจจะไปฟ้าก็ไม่รู้แต่ว่าใจมันปัญญามันเกิดรู้เท่าทันระวังใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็อยู่กับตรงนั้นสงบอยู่ตรงนั้นเครื่งหลักการเหล่านี้เป็นหลักการที่ปฏิบัติ ปฏิบัติยากนะแต่ว่าต้องถ้าต้องพยายามคิดไว้บ่อยๆอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าธรรมะนา่นขอให้มีอยู่ภายในใจเพราะมีมาถึงจุดหนึ่งมันมันเกิดขึ้นมาได้เกิดขึ้นมาได้แล้วบางครั้งเนี่ยมันก็กลายเป็นค่อนข้างอัศจรรย์ไปเลยมันเกิดขึ้นมาทันทยียิ่งกว่าคอมพิวเตอร์มันพุดขึ้นมาเช่นทำกลางความสงบก็ดีหรือว่า เราอยู่ในสมาธิก็ดีหรือว่าแม้แต่ว่าใจมันไม่ไปครุ่นคิดอะไรมากเ้วถึงจุดหนึ่งใจมันจะสงบพอสงบปันก็จะเห็นแล้วก็จะเกิดวางเฉยในสัตว์และในสังข า, ทางรทั้งหลายอย่างนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างลึกซึ้ง ก็อย่างที่ทรงใชยก็มาตัดฐาตัดทาวิปัสสติเืิดเห็นชัดเจนในขณะนั้นนันก็ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ดูเท่าที่มันปรากฏจิตไม่ปรุงต่อแต่ว่าจิตรู้เท่าทันเขาความจริงก็เป็นยังไงก็รู้เท่าทันตามนั้นอ๋อคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับอะไรล่ะเราก็ดูสิ่งสมมติว่าดูน้ำหยดลงมาเนี่ย น้ำหยดลงมามันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยหยดมันก็ไหลหยดมันก็ไหละถ้ายังมีให้หยดมันก็หยดได้เรื่อยๆไปถึงจุดหนึ่งมันก็หมดก็ทําให้จิตใจของบุคคลเนี่ยมีความสงบเย็นแล้วก็มีปัญญากํากับจิตแต่การต่อไปนั้นค่อนข้างลึกไปกว่าเดิมนะะที่จริงมันก็แนวเดียวกับตอนต้นแต่ค่อนข้างลึกขึ้นไป ท่านเรียกว่าเป็นกลางต่อจตมัชตาเจตสิกในจิตที่เป็นกุศลก็ตลอดถึงพวกจิตคือจิตที่เป็นกุศลเนี่ยครับมันวางใจเป็นกลางวางใจเป็นกลางไม่ได้หมายความว่านิ่งๆ่งนะฮะนิ่งๆอยู่อย่างเดียวแต่ว่าก็มีปัญญาพิจารณาเห็นคุณค่าของกุศลเพราะกุศลเนี่ยมันมีข้อแม้ว่าต้องทำให้สมบูรณ์่ะ ทีนี้ถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็ถือว่าไปหยุดตรงนั้นไม่ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไ ม, ไม่ไม่ไปคิดว่าพอแล้วดีแล้วจบแล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยทำใจเป็นกลางในขณะเดียวกันก็พยายามรักษาคุณภาพจิตตรงนี้เอาไว้แล้วก็พัฒนาต่อกันไปในอีกสองข้อหลังเนี่ยมันมันค่อนข้างซ้ำมานะฮะค่อนข้างซ้ำแต่ว่า มันเป็นองค์ของฌานในข้อต่อไปเรียกว่าชานอุปเบกขาคือวางเฉยในรูปาวจรฌานมันเป็นอุปเบกขาที่ปรากฏในจตุตถฌานซึงในขณะนั้นจิตมีเฉพาะอุปเบกขากับเอกัตตาก็ออยังไม่ถึงคราวพวกนี้นะคือเราจะค่อยไปพูดตอนโน้นตอนก่อนพระพุทธเจ้ า, าจะตรัสรู้เพราะพวกนี้จะไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นบนไดาที่ไตข่ข้นกว่าจะตรัสรู้เพราะตามปกติแล้วเรา ไม่ค่อยได้พูดในช่วงตรงนั้นในพุทธวัตรเองก็นิ่งๆก็ขึ้นไปสถับเรือตายตนโพเลยที่จริงก็ต้องเรียงลำดับนะลาดับขั้นตอนลำดับการต่างๆเนี่ยแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นอุเบกขาในปัญจมชานคือคือคือปัญจมชานกับจตุติฌานีนที่จริงก็คืออันเดียวกันนะั่นแะแต่ว่าอาภิธรรมในเนี่ย ในแยกของอภิธรรมเนี่ยท่านแยกเป็นฌานห้าเธอมาเองไม่ค่อยได้ินด้วยเท่าไหร่นะะแต่ขี้เกียจจะไปเถียงกับท่านเพราะว่าวิตกกับวิจารเนี่ยทิ้งวิตกกันใดวิจารณนั้นวิจาร์ไดวิตกกันนั้นแล้วท่านก็เห็นว่าองค์ฌานห้าเลยก็ย่อยไปได้เลยวิตกไปอยู่แห่งวิจารณไปอยู่แห่งเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันเราทำไมไปแยกวิตกกับวิจารเนี่ยที่จริงก็ติดกันนะฮะ บิตกมันเหมือนเราเาคาะระฆังวิจารณมันเสียงโหยหวนของะระฆังแล้วถ้าเราไม่ตีต่อเนี่ยมันก็หยุดเพราะงั้นพวกพูกนี้ที่จริงก็คู่กันแต่ว่ามันเป็นเรื่องรายละเอียดพระสรุปว่าอุเบกขานนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นบารมีธรรมที่จะลดความยินดียินร้ายพูกง่ายกว่าลดกิเลส น, นั่นแหละ ทีนี้มันมันจะใช้วาหารตรงไหนล่ะอาจจะลดตัณหามาณทิชิอย่างอย่างข้างต้นสามสี่อย่างสองสองสามอย่างเนี่ยเรา จ, จะเห็นว่าก็นเน้นไปที่ตน า, นามาณทิชิคือปริยายของกิเลสเนี่ยไม่ต้องไปติดใจกิเลสก็คือกิเลสอ่ะอวันก่อนที่ไปไประชุมกันเนี่ยคือคือยังอึดอัดเครืฟังแ ล, ล, แล้วเราอึดนาดว่าเอ๊ะทำไมมันไปพูดถึงคดีโลกคดีธรรม ก็มาเป็นคนที่ค่อนข้างอะไรล่ะคือไม่เห็นว่าโลกกับธรรมเนี่ยมันมันแยกกันได้ยังไงเพราะในความเป็นธรรมมันก็มีความเป็นโลกในความเป็นโลกมันก็มีความเป็นธรรมเพราะธรรมอ้ําก็มีสามขุมอ่ะคือกุศลนักุศลแล้วก็กลางๆเพราะว่าวิถีชีวิตของมนุษย์ก็ไม่เคยเกินสามอย่างชาวบ้านเนี่ยแต่งงานมีครอบมีครัวมีลูก ม, มีมีอะไรก็ลองดูเถอะไม่ทําถูกก็ทําผิดไม่ทําผิดก็เฉยเฉย ม่มีสามอย่างพระก็เหมือนกันเนี่ยสามอย่างเหมือนกันเพราะนั้นที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นกระบวนการของธรรมะแต่ว่าเราไปคิดในลักษณะแยกส่วนออกไปแล้วก็ไม่ดูไม่สาวดูก็ที่จริงเรื่องาศาสนาเรื่องธรรมะนี่มันน่าจะมีอะไรลายกันมั่งนะพระเจ้าทรงแสดงการสนทนาธรรมกับการตอบคำถามเนี่ยฮะ ก็ไม่ใช่กับการฟังธรรมการเลนะธรรมสอสากัจฉาสนทนากันการเลนะธรรมสวานางการฟังเนี่ยทั้งสองข้อมันเป็นอุดมมงคลเพราะว่าจะไปเพิ่มตัวก็ที่จริงทั้งศีลสมาธิปัญญานะฮะแม้จะเน้นไปทางปัญญาก็เพิ่มทั้งศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นภารกิจที่พุทธบริษัทจะต้องกระทำร่วมกัน บารมีธรรมเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่กระจายทั่วไปแก่แก่คนทั้งหลายนะฮะคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าเจาะ จ, จงว่าพระโพธิสัตว์เท่านั้นยังต้องเป็นบาเพ็ญบารมีแม้เราเองก็ต้องเจริญบารมีระดับหนึ่งและวิถีชีวิตของคนแต่ละคนเนี่ยเท่าไฟดีพอสมควรมันก็อยู่ในคันลองของบารมีสิท อยากลางละเอียดเท่านั้นส่วนมากก็อยู่ระดับต้นๆก็ยังดีเพราะตัวบา ร, รมีหลักเนี่ยเราจะเห็นว่าทานศีลเนี่ยรรปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากมันเป็นวิถีสังคมเป็นการสร้างสารรค์เป็นการพัฒนาเป็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขของบุคคลทั้งหลายถึงถ้าหากว่าทั้งหมดเราได้โดยเสด็จรอยอยูุคนบาทของพระโพธิสัตว์หดืของพระพุทธเจ้า มันก็ทำตัวให้ใกล้ชิดกับพระคุณคือจะเห็นปัญญาคุณภายในจิตเพิ่มขึ้นเห็นความบริสุทธิ์ภายในจิตเพิ่มขึ้นเห็นความเมตตากรุณาต่อคนอื่นสัตว์อื่นนี้สูงขึ้นซึ่งเป็นภารกิจร่วมกันเพราะเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าคิดคือเรามองไปนแนวของการศึกษาในมากเกินไป เราไม่มองแนวของการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของเราเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความคิดจิตใจของเราเนี่ยอุเบกขานั้นเราสังเกตว่ามันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเป็นภูมิคุ้มครองจิตนะกิเลสมันกระทบไม่ถึงจิตนะคล้ายๆเกิดความเข้มแข็งขึ้นหรือเกิดภูมิด้านฐานจิตขึ้นแล้วก็อารมณ์ที่กระตุ้นให้เกิดกิเลสมันก็เข้าไปสู่จิตไม่ได้ แต่ว่าไม่ใช่หยุดตรงนี้จะต้องก้าวหน้าต่อไปเพราะสิ่งนี้ก็คือบา ร, รมีการเก็บการสะสมความดีระดับหนึ่งทงนั้นเองท่านฟังทั้งหลายแต่รมประพติยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญองอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี